ค่อยๆกลับคืนมาทีละน้อยหูเริ่มได้ยินเสียงต่างๆชัดเจนขึ้นทุกทีดูเหมือนว่านอนอยู่บนเตียงันอ่อนนุ่แทนที่จะยืนอยู่ในพระลานหลวงจะยังไม่กล้าลืมตากว่จะพบภาพอันน่ากลัวต่างๆในเมืองถีก็ในเมื่อตายมาแล้วสิ่งที่จะพบต้องน่ากลัวแน่ๆเอ๊ะ อะไรกันนั้นตัวเหมือนมีมืออ่อนนุ่มมาลูบคํำที่หน้าผากตรงหัวใจตามแขนอยากรู้อยากเห็นซะแล้วมันอะไรกันแน่ต้องลืมตาดูกันละเอ๊ ะ, อะห้องกว้างขวาง สวาสว่างสวัยด้วยแสงประทีปพรมไปรีบยันตัวลุกขึ้นนั่นรอบรอบตัวช่วยตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างนี้เอไม่เห็นมีใครสักคนและเจ้าของมืออันอ่อนนุ่มที่ลูกคลำมนาภาราลูกคลมหัวใจนั่นละหายไปทั้งไหนรูปร่างสังคาญของตัวเอง ทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอใครกันนี่ไม่ได้ตายหรอกหกรือหรือว่าตายแล้วมาเกิดใหม่ในสวรรค์นอกหน้าต่างก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากความมืดสายลมเย็นโชยเข้ามาทําให้สดชื่นขึ้นมาลองลุกขึ้นไปดูที่หน้าต่างดีกว่าอาจจะทําให้รู้อะไรมากขึ้น ปุ๊ลุกขึ้นไม่ไหวปวดขาเหลือเกินต้องนวดเฟ้นให้บรรเทาอาการเจ็บปวดสักนิดหนึ่งไม่น่าจะปวดถึงขนาดนี้เลยได้บีบนวดค่อยยังชั่วขึ้นหน่อยถึงจะเจ็บปวดบ้างก็ยังพอเดินได้เตินก็โผลกกระเพกอย่างนี้มันไงเห็นแล้วหลังขาบ้านเรือนมากมาย สูงบ้างต่ำบ้างรูปราาา่างต่างกันยืนตัวสลัวอยู่ในความมืดคงไม่ใช่เวลาดึกมากนะต๋ยังมีแสงไฟออกมาจากหน้าต่างบางบ้านหลายหลังเอ๊ะซยงอะไรแววมาเนี่ยนอนเถิดลูกน้อยคนดีจงนอนสุขี อย่าลำลองวิงวอนแม่จะเห่กล่อมสายสมอนหลับตาลงนอนจวบจนรุ่งสุริยันพันธพายโน่นแน่ตุกแก 啊าคุณม เสียงเพลงปลอมโลกอันเก่าแก่ได้ยินได้ฟังันนับคร้งไม่ท้วนในกรุงสาวัตถีถ้าอย่างนั้นที่อยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เมืองผีนลสิแต่ว่าเป็นเมืองสาวัตถีนี่เองแต่ว่าเป็นไปได้ยังไงในความรู้สึกครั้งสุดท้ายถูกไฟคลอกตายไปแล้วนี่นะเดวตา ลีลาวดีลีลาวดีนั่นเธอจริงๆเหรอหรือว่าตาฝาดเห็นไปเองพี่ไม่ได้ตาฝาดหรอกนี่ลีลาวดีของพี่จริงๆฉันดีใจที่ได้พบพี่อย่าอย่าเข้ามาใกล้ถอยห่างออกไปทำไมลาเรวาตา ทำไลีลาวดีเข้าใกล้พี่ไม่ได้เพราะอาตมาจะเป็นพระภิกษุอยู่สิพระภิกษุเหรอคะถูกแล้วอาตมาจะเป็นพระภิกษุเขาจะเข้ามาใกล้อาตมาไม่ได้ข้าไม่เชื่อพี่จะเป็นภิกษุได้ยังไงผ้ากาศวัฏพัดผืนเดียวก็ไม่มีกครงกายมีแต่ผ้านุ่งของคารวะพี่ศึกจากความเป็นภิกษุแล้วอย่างสมบูรณ์อาตมายังไม่ได้ศึกอาตมายังเป็นพระอยู่ พูดยังไงฉันก็ไม่เชื่อพี่นีน่ศึกจากพระแล้วยานะอย่าเข้ามาพี่จะหนีเลยยังไงก็หนีไม่พ้นอย่าอดกวต<อ>เป็นยังไงบ้างเลยวัตตะ ไ, ไม่เป็นอะไรหรอกเจ็บขาก็เลยล้มไปเท่านั้นเองให้อภยัยแกลิลาวดีด้วยนะคะลิลาวดีทำไปได้วยความรักความเคารพอย่างจริงใจ ไม่ได้เจตนาจะทำให้ชิ้นของท่านเศร้าหมองเลยฉันยอมรับความเป็นพิสูจ ข, ของท่านตามเดิมขอบใจอออ้ยท่านคงเจ็บปวดมากถูกแล้วอัตมาเจ็บปวดรวดร้าวที่ขาที่เอวลีลาวดีจะไปเอาอยามาทาและนวดเฟ้นไข้นะคะไม่ต้องลีลาวดีลาให้อัตมาฟังดีกว่าอัตมามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอัตมาไม่ได้ตาย พรถูกไฟลูกที่พระลานหลวงดอกเลยท่านยังไม่ตายหรอกคะ่ะท่านสิแล้วอาตมามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงละ่ะทําไมถึงไม่ตายเล่าให้อาตมาฟังหน่อยเถอะจึงเป็นอย่างนี้พอได้ยินเสียงแห่มาตามถนนดิฉันก็ไป น, นั่งดูที่หน้าต่างเหมือนอย่างที่เคยทํามาที่แรกนึกว่าเป็นขบวนแห่พิธีกรรมแต่งงานหรืองานศพแต่พอได้ทราบว่าเป็นการแหร่ประจานโจร พี่ฉันก็รู้สึกสนใจแต่แล้วก็ตกใจแทบสิ้สติเมื่อทราบว่าท่านเป็นโจรคนหนึ่งในบรรดาโจรที่นั่งไปบนหลังลาตอนนั้นพี่ฉันไม่ได้คิดอะไรแล้วลงจากประสาทได้ก็วิ่งฝ่าฟงคนตรงไปยังท่านท่านก็เห็นใช่อัตมาเห็นแล้วหลังจากนั้นพี่ฉันก็สลบสลายไม่ได้สติเพราะความสงสารท่า น, านบวกกับความตื่นเต้นตกใจ และความเหน็ดเหนื่อยจากวิ่งนั่นอาตมาเห็นแล้วนายทหารสั่งให้ทหารนำเธอออกไปก็ลหลังจากนั้นละ่ะดิฉันนัรู้สึกตัวตื่นขึ้นเมื่อมีคนนำมาถึงบ้านแล้วดิฉันเล่าเรื่องให้แม่ฟังบอกให้ฉันรีบช่วยชีวิตท่านไวแม่รีบนำเงินหมื่นกะหาเปณ ะ, ะไปยังเวลาหลวงเข้าพบท่านราชบุรุษขอไถ่ตัวกลับคืน ทีแรกเขาไม่ยอมต้องเจอจาอยู่นานและเพิ่มเงินอีกหมื่นก็หาปะนะก็จึงยอมปล่อยท่านขณะที่ไฟกําลังไหมอยู่นั่นเองราชบุตรได้วิ่งเข้าไปลากตัวท่านขึ้นจากหลุมแบกฝากเปลวไฟออกมาต่อจากนั้นเม่นขนนำท่านขึ้นรถเทียมม้ากลับบ้านให้ท่านนอนพักอยู่ในห้องนี้เพื่งเป็นอย่างนี้ท่านจึงไม่ได้ถูกไฟคลอกตายลีลาวดีเอ้ยเธอช่างดีต่อตาห ม, มาซะจริงๆ เ็อเกิดมาเพื่อช่วยให้อัตมาพ้นจากทุกข์เข็นโดยแท้เธอมีพระคุณต่ออัตมาอย่างเหลือล้อนพ้นประมาณอัตมาจะทำยังไงดีจึงจะควรคุณค่าแก่การอุปการะคุณของเธอดิฉันช่วยท่านด้วยความรักและคารักอย่างบริสุทธิ์ใจเพราะชีวิตของท่านคือชีวิตของดิฉันเมื่อดิฉันช่วยท่านก็เท่ากับช่วยตัวดิชันเองความสุขของท่านก็คือความสุขของดิัน เมืท่านมีความสุขดิฉันก็มีความสุขด้วยแต่เมื่อขราวท่านประสบทุกข์ดิฉันเป็นทุกข์มากกว่าท่านเป็นทวีคูณท่านขาเห็นใจลีลาวดีบ้างหรือยังอาตมาเห็นใจเธอเสมอและเห็นมานานแล้วตั้งแต่ครั้งเป็นเด็กจันทันอาศัยอยู่ในกระท่อมน้อยกลางสวนหลังคารหารัดท่านพูดได้เสมอว่าเห็นใจเห็นใจแต่คำว่าเห็นใจนี่แหละ ทำให้ที่ฉันน้ำตาเชดหัวเข่ามาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนละวท่นเป็นคำพูดที่มีความหมายละเกินแล้วเธอจะให้อัตมาทำยังไงละ่ะลีลาวดีช่วยบอกอาตมาหน่อยเถอะลีลาวดี เธอใช้อัตมาทำยังไงเพราะว่าชีวิตของอัตมานั้นได้สิ้นสุดลงแล้วที่พระลานหลวงส่วนชีวิตที่เป็นอยู่เดียวนี้เป็นชีวิตที่เกิดจากการเสียสละของเธอเธอจึงเป็นเจ้าของชีวิตนี้โดยสมบูรณ์จริงเหรอคะจริงสิเธอจะจัดการยังไงกับชีวิตนี้ก็ได้ตามที่เธอปรารถนาทัานคะ่ะดิฉันมีอะไรเหรอลีลาวดี สายตาเธอที่มองดูอาตมานั้นเหมือนเชิงงนสนเทเธอประหลาดใจอะไรประหลาดใจในคําพูดของท่านนีสิคะคำพูดของอาตมาเป็นยังไงท่านคิดไปไกลมากซะแล้วล่วคะค่ะคิดไปไกลงั้นเหรอถูกแล้วคะ่ะอาตมาคิดไปไกลยังไงที่ว่าชีวิตของท่านเป็นของดิฉันนีสิคะความจริงแล้ว ท่านยังเป็นตัวของตัวเองทุกประการดิฉันยังไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของชีวิตของท่านและไม่ปรารถนาที่จะเป็นดิฉันยังรักเคารพบูชาท่านเช่นเดียวกับเทพเจ้าบนสูงสวรรค์ดิฉันเป็นเพียงสัตว์เลน้อ ย, อยตัวหนึ่งบนแผ่นดินที่สวดมนวิงวอนต่อเทพเจ้าองค์นั้นทุกเช้าคำ่ำเพื่อความเห็นใจความสงสารเอ็นดูแต่เทพเจ้าไม่เหลียวแลลีลาวดีเลย เธอให้เกียรติตมาสูงเกินไปเสแล้วเธออาตมาไปเปรียบกับเทพเจ้าบนสูงสวรรค์เกียรตินั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าอตมาจะรับไว้ได้ความจริงแล้วอาตมาเป็นเพียงก้อนกรวดในกำ ม, มือแต่พระคุณของเธอที่มีต่ออาตมานั้นประดุจขุนเขาหินมะวันบรนพศแต่ถ้าเธอปรารถนาความเห็นใจความเมตตาเอดูจากก้อนกรวดอาตมาก็จะให้ ท่านจะให้เหรอคะถูกแล้วและบัตรนี้จงซาบเถิดว่าอาตมาได้ให้แล้วท่านคะคำพูดของท่านทำให้ลีลาวดีเป็นสุขที่สุดในชีวิตอย่ากอดขาอาตมาปล่อยขาอาตมาเดี๋ยวนี้นะลีลาวดีทำไมล่ะคะ ทำไมลีลาวดีกอดขาท่นไม่ได้เมื่อลีลาวดีรักท่านแล้ท่านก็รักและสงสารลีลาวดีไม่ใช่หรือคะแต่เธอก็อย่าลืมสิว่าอาตมายังเป็นพระภิกษุอยู่ท่านยังเป็นพระภิกษุเหรอคะถูกแล้วอาตมายังไม่ได้สึกแล้วความรักของเราล่ะคะแปลว่าท่านไม่ได้รักลีลาวดีอาตมารักลีลาวดียิ่งกว่าชีวิตแทบอยากจะกลิ่นเอาลีลาวดีลงไปไว้ในอก ให้ไปอยู่เคียงข้างหัวใจของอาตมาถอยห่างออกไปจากอาตมาเถอะลีลาวดีถอยออกไปซะอย่าบังคับใอาตมาต้องทำลายศีลของพระบรมศาสดาเลยก็ได้ค่ะเมื่อคุณกำกับอย่างนั้นดิฉันจะทำตามลีลาวดีพาออกไปทันทีใบหน้าบนหมองเศร้าสร้อยเธอลุกขึ้นเดินไปยืนที่หน้าตา ทอดสายตาเมอมมองออกไปอย่างความมืดภายนอนรู้สึกกระวนกระวายใจจนบอกไม่ถูกบรรยากาศภายในห้องเงียบสงบและเคร่งเครียดเวลาวดีหันหน่ากลับมายืนเอาหลังพิงกรอบหน้าตาทอดสายตาลงต่ำเธอคงตรึกตรองอะไรบางอย่างในอิริยาบถนั้นเวลาวดีสวยงามสง่ามาก ความมืดที่เป็นฉากอยู่เบื้องหลังแสงไฟที่สาดไปข้างหน้าทําให้รูปร่างก็เธอสวยเด่นดุดพระจันทร์วันเพ็ญที่กำลังโผล่ออกมาจากกลีบเม่ท่านคาออะไรเหรลีลาว ด, ดีขนาดนี้ท่านนั่งอยู่เฉพาะหน้าลีลาวดีแต่ในความรู้สึกของพี่ฉัน กลกับท่านอยู่ไกลออกไปถึงปากจักรวาลที่ท่นรู้สึกว้าเวและเกินแต่เอาเถิดิฉันจะยังไม่ทําลายสินของท่านจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรนี่ก็ดึกมากแล้วท่านคงเหน็ดเหนื่อยมากนอนพักผ่อนเถอะพรุงนี้ที่ท่นจะมาพบท่านอีกลาก่อนนะคะลีลาวดี ตอนท้าด้วยความอ่อนระหยแม้ความเจ็บปวดที่ขาจะบรรทา เ, าเบาบางลงไปบ้างแล้วก็ตามพยุงตัวลุกขึ้นเดินมายืนที่หน้าตา่างถนนเบื้องล่างนั้นฝูงชนหลายประเภทเดินไปมาขวักขวาเศรษฐีนั่งมดเรเทียมม้าประดับประดายอย่างงดงามแล่นไปสู่ท่าเพื่อสงสนานในแม่น้อาอัจฉริยบดีนางกุมภทาสี พูดเพินหม่อน้ำด้วยสีสั์ถาเท้าสีแดงขอบตาดำสนิดเดินเป็นหมู่หมู่กำไลแขนกกำไรขาของแต่ละนานเมื่อต้องแสงอาทิตย์สองแสงแปดปราบบาดตาในโคบานกำลังต้อนฝูงโคออกไปเลี้ยงพระภิกษุสองสามรูปกำลังเดินไปพิคาจารเพื่อการสำรวมเป็นอันดีถนนในพระนครสาวัตถีนยามชา เป็นไปด้วยชีวิตชีวาทุกคนต่างดิ้นรนกระเสือดกระสนเพื่อความดํารงอยู่แต่เมื่อความตายมาถึงประยุติกันท่านคะอ๋อดีลาวดีอะไรนั่ะดิฉันนําพัตาหารมาถวายค่ะขอบใจท่านค่ะมีอะไรจะพูดอย่างนั้นเหรอนิลาวดีค่ะดิฉันอยากจะถามท่าน เอาสิเธอมีอะไรอยากจะถามก็ถามมาเถอะถ้าเป็นเรื่องที่อาตมารู้อาตมาก็จะตอบเชื่อว่าท่านต้องรู้เสียแน่นอนถ้าเป็นเรื่องที่ท่านรู้อยู่แก่ใจดีนี่คะงั้นก็ถามมาเถอะท่านเด็กหรือเวดีจริงเหรอคะมีอะไรที่เธอสงสัยในตัวอาตมาอย่างนั้นแหละไม่ได้สงสัยแล้วคะ่ะถามเพื่อความแน่ใจเท่านั้นท่านคะ ดิฉันจะขอร้องอะไรท่านสักอย่างหวังว่าท่านคงจะอนุเคราะห์ให้ได้นะคะท่านปฏิเสธข้อนี้ก็แสดงว่าท่านไม่ได้รักลีลาวดีจริงดังคําพูดดิฉันจะทุกข์ทรมายไปตลอดชาติทีเดียวบอกมาเถอะลีลาวดีอาตมาพร้อมแล้วที่จะอนุเคราะห์เธอสิ่งที่ดิฉันจะขอร้องก็คื อ, อ, อขอให้ท่านสละความเป็นพระซะ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 ก็สิ้นชีพไปแล้วทายเสนพี่ชายก็ตายไปแล้วหลายปีเหลือแต่ดิฉันกับแม่ซึ่งเป็นหญิงที่มีความรู้ความสามารถพอที่จะจัดการกับทรัพย์สมบัติอันมากมายนั้นได้แต่มองไม่เห็นใครอีกแล้วพอจะเป็นพี่เพึ่อนได้นอกจากท่านคนเดียวพว่าอย่างไรละคะจะอนุเคราะห์ดิฉันได้ไหมลีลาบดีคำขอร้องของเธอ เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสําหรับอาตมาอาตมาอยากจะตอบรับเธอเดี๋ยวนี้แต่อาตมายัางไม่ทําก่อนขอให้อาตมาตรึกตรองดูอย่างละเอียดทีทุวนแล้วอาตมาจะให้คําตอบแก่เธอภายหลังไม่อได้่จะให้คําตอบล่ะคะภายในสามวันเป็นอย่างช้าที่สุดแต่ท่านต้ให้ความหวังแก่ดิฉันนะคะอาตมาให้ความหวังแก่เธอลีลาวดีแค่นี้ลีลาวดีก็พอใจแล้ว เชิท่าบริพภคอาหารให้สำราญเถอะค่ะ ทั้งวันยังคงนอนพักผ่อนอยู่ในเครือหาดของลีลาวดีเพราะยังไม่กล้าเดินกลับวัดกลัวคนเห็นแล้วจําได้ว่าเป็นโจรจนกระทั่งเย็นได้รอจนกระทั่งมืดสนิทดีแล้วจึงได้ลาดีลาวดีและนางคาราฮาปัตตนีกลับพระเชตร์ตอนพอพ้นกับแผงเมืองออกสู่ท้องนาโล่งใจค้ายกับหลุดพ้นจากที่คุมขัง เดินข้ามทุ่งนานนิดหน่อยก็เข้าสู่พระเชตวันผ่านพระคันธกุฏีของพระปรมศาสดาซึ่งยังไม่เสด็จกลับจากเมืองสาเกตยกมือขึ้นไหวรำลึกถึงพระพุทธคุณและเดินผ่านธรรมศาลาผ่านกุฏิที่อยู่เป็นแถวภายในพระเชตวันสงบงเงียบตามเคยนอกจากเสียงลมพัดใบไม้และเสียงมแมลงเล็กๆที่ไม่เห็นตัวแล้ว แล้วก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเลยอ๋อกลับมาแล้วเหรอเรวัตัาอาจารย์เอ๊ะอาจารย์ติดตามพระบรมศาสดาไปเมืองสาเกตไม่ใช่เลยถูกแล้วเราติดตามพระบรมศาสดาไปเมืองสาเกตพระบรมศาสดายังไม่ได้กลับนี่แต่ว่าเรากลับก่อนมีอะไรอาจารย์ถึงกลับก่อนเมื่อรู้ว่าเธอถูกราชบุตรจับไป เรากลับถวายบังคมลาพระบรมศาสดากลับมาเพื่อรับรองความเป็นภิกษุของเธอเราทราบดีว่าเธอยังมีศีลบริสุทธิ์แม้จะอยู่ในที่รับขันก็ยังมีใจมั่นคงต่อพระธรรมวินยัยฉะนั้นเธอยังเป็นภิกษุในพุทธศาสนาตามเดิมขอบพระคุณอาจารย์อ่านี่ ผ้ากาสาวพัยเอาไปนุ่งห่มซะให้เรียบร้อยแล้วก็ขอเตือนเธอไว้ว่าเธอยังอยู่ในภาวะอันตรายจงระวังตัวให้ดีเราจะต้องไปก่อนละอาจารย์จะไปไหนกลับไปเมืองสาเกตอย่าลืมเธอยังมีอันตรายอยู่เรวตัตต นนั้แค่ไปเป็นอันหลับอันนอนเลยความคิดร้อยแปดวิ่งพ่านไปมาในสมองคําพูดของลีลาวดียังป้องอยู่ไม่รู้เรือนขอใท่านสละกความเป็นพิสูจนเ์เถิดค่ะเราจะรุ่นชีวิตกันอย่างมีความสุขสืบไปคําพูดของลีลาวดีทาให้ต้องคิดอย่างหนัก ือว่าจะทำตามที่ดีลาวดีต้องการศึกไปอยู่กับเธอเป็นสามีของเธอเป็นเจ้าของสมบัติอันมหาศาลโดยไม่ต้องลองทุนลงแรงอะไรคงเป็นสุขที่สุดการมีพัญญางามพร้อมเช่นดีลาวดีการมีสมบัติมหาศาลสาหรับจับจ่ายใช้สอยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและพยายามดิ้นรนเพื่อเอาให้ได้ ตอนนี้ไม่มีอะไรต้องต่อสู้เลยมีผู้เสนอให้พร้อมอยู่แล้วปัญหาอยู่ที่ว่าจะรับหรือไม่รับเท่านั้นใจหนึ่งก็อยากรับแต่ใจหนึ่งเสียดายสันติสุขในความเป็นพระละเกิดระหว่างโล ก, กียสุขและสันติสุขในธรรมจะเลือกเอาขั้มไหนดีละ่ะอืสมองวุ่นวายไปหมดแล้ว สามันตามแล้วท่านคงตัดสินใจแล้วกระมังอย่างนั้นใช่ไหมคะตัดสินใจอย่างนั้นเลยเลยเลาบดีก็ท่านรับปากไว้กําหนดสามวันนี่คะจริงสินะอาตมารับปากไว้และนี่ก็ครบกําหนดสามวันแล้วท่านคงตัดสินใจที่จะอนุเคราะห์ดิฉันและแม่แล้วเมื่อไรจะสึกล้วคะดิฉันจะเตรียมเครื่องแต่งตัวคารวาสไว้ให้ อาตมาขอบอกกับเธอตามตรงนะลีลาวดีเรื่องนี้อาตมายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะศึกหรือไม่ท่านงตัดสินใจไม่ได้เลยคะ่ะถูกแล้วลีลาวดีอาตมานอนคิดมาสามคืนยังตัดสินใจไม่ได้อ น, นิจจาลีลาวดีเจ้าท่เกิดมามีกรรมใช่จริงๆท่านม่สงสารลีลาวดีบ้างเลยทนม่รักลีลาวดีแล้วก็มั้ง ลีลาวดีหัวใจของอาตมาแทบแตกสลายอยู่แล้วด้วยความรักและสงสารเธออาตมารับเธอด้วยใจบริสุทธิ์ผ้ากาสาวพัดนี้เป็นพยานลีสมีท่มีตัดสินใจแล้วคะ่ะแสดงว่าท่านมีรักลีลาวดีนี่สิอย่าพูดเช่นนั้นสิลีลาวดีฟังเหตุผลของอาตมาก่อนท่านมีเหตุผลอะไรคะ เธอลืมไปแล้วประมังว่าตระกูลของเธอเป็นตระกูลใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วแคว้นโกศลเธอเกิดในตระกูลพราหมู้กาเนิดจากโอทของพรหมชนอาตมาเป็นคนไร้วันนะเป็นจันทานผู้ไม่มีชาติไม่มีส ก, กุลนอกจากนี้อาตมายังเคยเป็นโจรชั่วชาทุกจับแห่ประจาน คนรู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองฐานะของเธอกับฐานะของอาตมาห่างกันราวฟ้ากับดินเมื่อผู้คนรู้ว่าเธอแต่งงานกับอาตมาเขาก็จะลงประชาราษฎรแก่ตระกูลของเธอเธอจะได้รับการประนามอย่างหนักคนทั้งเมืองจะดูถูกเหยียดหยามตระกูลของเธอแล้วชีวิตแต่งงานของเราจะมีความสุขได้ยังไงเหตุผลเหล่านี้ที่ฉันคิดมาก่อนแล้ว แล้วเธอคิดยังไงคิดว่าไร้สาระสิคะเธอคิดว่าไร้สาระอย่างนั้นเหรอรีลาวดีใช่แล้วค่ะท่านทั้งหมดที่ท่านพูดมานี้มันเป็นเหตุผลของคนอื่นคนที่ชอบจ้งกี้เจ้าการอันไม่ใช่เรื่องของตัว คอยจับผิดคนนั้นคนนี้คอยติเตียนนินทาตระกูลนั้นตระโกลนี้แล่วเราจะได้อะไรจากคนพวกนี้บ้างเราทุกขเข้าคอยแต่ช้ำเติมข้าต้องการให้คนอื่นทําตามที่เราปรารถนาอย่างเห็นแก่ตัวที่สุดดิที่สงรารนาก็ประนามว่าเหลี่ยมซามดิฉันจะไม่ประสาทกับคนพวกนี้ดิฉันจะไม่อยู่ในกรอบที่คนพวกนี้จํากัดไว้ ที่ทิเกิดมาคนเดียวและจะตายไปคนเดียวจะเป็นอิสระกับตัวเองสักชาติหนึ่งใครจะว่าอะไรก็ว่าไปสิ่งใดที่ดิ้นว่าชอบว่าควรดิฉันก็จะทําเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของดิฉันเองเหตุผลก็เธอหลักแหลมเกิดกว่าจะคาดชิดทําให้รักและบูชาเธอยิ่งขึ้นคําพูดของเธอไม่รู้จะโต้ตอบอยังไงดี ท่านะดิฉันรู้ดีว่าท่านเป็นจันธานและเคยเป็นโจรมาก่อนถ้าดิฉันคิดอย่างคนอื่นดิฉันก็ไม่รักท่านแต่ดิฉันไม่ได้คิดอย่างคนอื่นจึงที่รักท่านด่ฉันอยู่ในสังคมมนุษย์ยังต้องพึ่องอาศัยคนอื่นแต่ในทางจิตใจดิฉันเป็นอิสระเสมอดิฉันมีอิสรภาพที่จะรักท่าน ในชาตินี้ขอรักท่านคนเดียวบางทีพระผู้เป็นเจ้าอาจจะสร้างดิฉันมาเพื่อท่านก็ได้ดิฉันเกิดมาเพื่อท่านคนเดียวเท่านั้นเธอเกิดมาเพื่ออัตมาคนเดียวถูกแล้วคะ่ะดิฉันเกิดมาเพื่อท่านคนเดียวอยีกนี้แล้วท่านพอจะบอกได้หรื อ, อยังว่าท่านจะสึบมยู่กับดิฉัน